คุณชายกับคุณชัยยานรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วหรือครับเรียบร้อยแง่ายบริการดีมากเป็นทั้งคนมาปลุกและเทียบสำรับให้เราเสร็จเป็นอาหารเช้าที่พิเศษไม่ใช่น้อยซุปเนื้อสารกวางกับสเต็กหมูป่าฝีมือพ่อครัวพิเศษของเราไม่เลวเลยว่าแต่คุณเถอะทานอาหารเช้าแล้วอยังชัยยานถามใช้มีดโกนหนวดอัตโนมัติซึ่งใช้ฐานแบตเตอรี่รูปอยุดที่ปลายทาง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 หม่อมาราชวงเชิดถาเป็นผู้ตอบแทนให้หางเสียงชื่นชมยกย่องก็พอจะมีบ้างตามสมควรครับไม่ถึงกับชุมหรือไม่ถึงกับหายากนะักบางวันเดินทั้งวันไม่พบอะไรแม้แต่นกสักตัวและบางวันอาจพบสัตว์ชนิดหลีกไม่พ้นมาดม้อมดม่อมมองมอ ง, ม อ, งอยู่ใกล้ๆแคมป์ที่พักก็ยังเคยปะหมอกก็เยี่ยมเยียนทักทายถึงตัวเลยผมหมายถึงเสือหมีแล้วก็ช้าง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 จะบอกกล่าวก่อนนาะถ้าจะโรมรันกับฝูงไอแหว่งอย่างว่าแล้วก็ต่อให้ผมถือจุด6 0 0ผมก็ขอเลือกเอาวิธีเดินอยู่ข้างหลังคุณรพินอย่าทิ้งผมก็แล้วกันทั้งสต่างหัวเราะกันอย่างคลื้คื้นสนุกสนานรพินทราบดีว่านั่นเป็นการพูดแบบติดตลกและเป็นกันเองตามนิสัยของชายยันเท่านั้นเองเขาชอบสร้างบรรยากาศให้คลืคื้น อ, อ, อยู่เสมอ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 ตามคาดแคดของนักล่าสัตว์ชาวกรุงทั่วไปก็จะมีโอกาสได้พบเห็นเมื่อใกล้หล่มช้างเข้าไปแล้วถ้าเลยหล่มช้างไปแล้วล่ะระหว่างที่เราจะมุ่งไปยังขุนเขาพระศิวะชายันถามอย่างเต็มไปด้วยความกระหายแล้วพินยิ้มขุ่มๆตาหลีลงผมไม่อาจาบอกได้ครับว่าหลังจากหล่มช้างไปแล้วเราจะพบหรือรเผชิญกับสัตว์ชนิดใดบ้าง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 ไม่เคยมีเท้าของมนุษย์เหยียบย่างไปถึงครับเมื่อเราพยายามจะไปให้ถึงเราก็อาจได้พบเห็นกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้พบมันมีอะไรบ้างก็เหลือที่จะเดาได้เพราะมันเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเลยและดินแดนนั้นแหละครับเป็นดินแดนที่คุณชดประชากรหรือคุณชายอนุชาได้ล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วเชษฐาและชัยยานเงียบงันกันไป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 ทิ้งจันไว้ให้เป็นพรานคอยควบคุมแคมป์พอแดดเริ่มแรงขึ้นหม่อมละชวงหญิงดาลินก็โผล่กลับมาถึงแคมป์มีบุญคำเดินหิ้วไก่ป่าและนกเงือกมาพวงใหญ่เดินตามหลังมาด้วยหญิงสาวหน้าแดงด้วยความเหนื่อยเหงื่อชุ่มโชกพี่ชายกับเพื่อนหนุ่มกำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ที่ก้อนหินหน้าตัดเกลี้ยงเหมือนโตหล่อนเดินเข้าไปนั่งและทอดกายลงนอนอยู่ข้างๆอย่างหมดแรง เป็นไงเดินไปถึงไหนพี่ชายถามไกลลิฟเลยค่ับพี่ใหญ่สนุกจังได้ไรมามั่งละ่ะชา ย, ยันถามบ้างมองไปทางบุญคำผู้หิ้วพรุงพรังอยู่ได้ไก่มาตัวเดียวยิงมันไม่ค่อยทันไวจังแล้วก็นกเงือกสองตัวกระทาดงอีกสามตัวหมูป่าวิ่งตัดหน้าไปสองตัวตรงห้วยแห้งโน้นมัวแต่ตกตะลึงยิงไม่ทัน หล่อนพูดพร้อมกับพงกตัวขึ้นมานั่งบงการให้บุญคำนำไปจัดการถอนขนแล้วหันมาทางหม่อมราชวงเชษฐาถามเปลย์เปยอิตาพานภายัยไปไหนแล้วนี่ไม่เห็นรับผิด น, นะเหรอเขาไปเตรียมขัดห้างให้เรายิงกวางตอนบ่ายนี่เดี๋ยวก็คงมาทำไมหล่อนควักผ้าชิ น, น่าออกมาทราบเหงือ่อแล้วโบกสะบัดไล่ความร้อนทำตาป ร, ป ร, รับเปลือเมื่อเช้านี้เกิดเรื่องกับน้อยรู้ไหมคะ ถ้าไม่คิดว่าจะต้องไปตามพี่กลางแล้วต้องอาศัยตานี่เสียอย่างเดียวน้อยต้องบอกให้พี่ใหญ่ไล่ออกจากการเป็นลูกจ้างแน่ๆเรื่องอะไรกันอีกละ่ะพี่ชายถามเสียงต่ําๆขมวดคิ้วก็มีอย่างหรือคะเห็นน้อยเดินออกไปนอกแคมป์นิดเดียวเข้ามาตะคอกเอาตะวาดเอาพูดจาจะหาสัมมาครวัวสนิดก็ไม่มีป่าเถื่อนสิจริงๆนี่เนอะเหรอคนได้รับการศึกษาดีมาแล้วดูทีเหมือนไอ้โจรป่า หม่อมราชวงเชษฐาจุ ป, ปากเบาๆมองดูน้องสาวด้วยสายตาตำหนิเออแน่น้อยนี่เป็นยังไงนะพี่เห็นลบกับพระพินมาตลอดทางตั้งแต่ต้นทีเดียวพี่ใหญ่ไม่เห็นนี่คะเวลาก็พูดกับน้อยพูดยังไงต่อหน้าพี่ใหญ่ก็พี่นอพี่เทาดีหรอกพอรับหลังหางเสียงก็ไม่มีสะบัดแพรดแพดเขาควรจะรู้บ้างว่าเวลาพูดกับสุภาพสตรีนาะพูดยังไง ไม่หนำซ้ำําสุภาพสตรีคนนั้นยังมีฐานะเป็นนายจ้างเสียอีกไอเรามันคอยรวนคอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดเวลานินาชายันรากเสียงช่วยว่ามาแล้วเรื่องของเรื่องก็ไม่เห็นมีอะไรเรามันหัวร้านดือ้อเขาหวังดีกับเราแท้ๆยังไปอวดดีกับเขาอีกนี่เขาก็มาบอกเหมือนกันว่าเราไม่ยอมจะฟังอะไรเลยเวลาเขาเตือนอ้อนี่ดอดมาฟ้องก่อนแล้วงันเลย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 ้วพินขมวดคิ้วถามเร็วปือหาไปอาบน้ำครับไปยังไงไปกับใครไปคนเดียวพรานใหญ่อุทานอะไรออกมาคาหนึ่งลืมตาโปรงร้องเร็ววปือแล้วกันแกอยู่ยังไงหาแงซ า, ายปล่อยให้นายหญิงไปอาบน้ำที่ลำธาร น, นั้นคนเดียวผมห้ามแล้วครับนายหญิงไม่เชื่อผมตามไปด้วยนายหญิงไล่ผมกลับมาไปนานแล้วยังสักครู่นี้เอง ระพีนไม่ได้กล่าวอะไรอีกแม้แต่คําเดียวขวาไรลเฟิ่อที่เพิ่งจะวางลงยกยกขึ้นมาแล้วสาวเท้าพ ว, วดพว ด, วดตัดทางเดินลงไปสู่ราธารเบื้องล่างโดยเร็วเมื่อก้าวลงมาถึงราธารอันอุดมไปด้วยกวดและโขดหินที่งอกอยู่รละเกศแะกะจอมพรานกาดสายตาอย่างรวดเร็วในบริเวณธารน้ําเขามองไม่เห็นอะไรในอาการกวาดตาผ่านอย่างคร่าวๆนั้นเพราะตําแหน่งนั้นสลับซับซ้อนไปด้วยก้อนหินใหญ่และกอไม้น้ํา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 แสดงว่าปลดออกไปเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีปัญหาเจ้าของลงไปในถา น, น้ำโดยไม่มีอะไรติดตัวแม้แต่สักชิ้นเดียวก่อนที่เขาจะอ้าปากตะโกนเรียกเสียงน้ำแตกอยู่หลังก่อต้นบอนพร้อมกับเสียงร้องแหลมออกมาอย่างตนกุกเพราะคนฉุนเฉียวเร็วปรี๊ดฝั่งแทบไม่ได้สับบ้าคนไม่มีมารยาทมายืนอยู่ทำไมที่นั่นฮะดูสิยังมาจ้องอยู่ได้คนระพินภัยวัน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 ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอย่างใดถูกในภาวะอันยุ่งยากปวดหัวนี้เสียงแปรแปลนก็แผดกล้องออกมาจากพงทึบของลำธารฝั่งตรงข้ามระยะห่างเพียงไม่เกิน300รอเมตรพร้อมกับป่าหักกลู่ร่างหึมาที่มองดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่โผล่ทมึนออกมาโชวงวงร่อนราสองหูใหญ่กลางพึ่งโบกวาดอยู่ไปมาวิ่งเหยาะๆลงมาที่ธานน้า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 จอมพรานใช้แขนปาดหญิงสาวไปไว้ข้างหลังร้องสั่งเรืวปือไปหลบอยู่หลังใสใหญ่โน่นเร็วหล่อนวิ่งแจ่นเข้าไปที่ใสต้นนั้นนางช้างพางตรงปลาดมาถึงริมน้ำก็หมุนตัวหันรีหันขวางและชูงวงส่งเสียงร้องก้องอยู่เช่นนั้นและพินยืนขวางหน้าดักอยู่ส่วนกลางของลำธารจ้องตามไม่กระพริบขยับปืนเตรียมพร้อมเดี๋ยวนี้เขาพอจะดาต้นเหตุถูกแล้ว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 ชะตาของมันย่อมจะขึ้นอยู่กับลูกของมันนั่นเองถ้าลูกของมันหลีกไปทางอื่นนางแม่ก็คงจะถอยแต่ถ้าลูกแล่นปราดเข้ามาหาเขาอันเป็นธรรมชาติที่เล่นของลูกช้างทั้งหลายก็หมายถึงว่านางแม่จะต้องโลดเข้ามาและนั่นคือจุดจบของมันพระพินก็อ่านใจมันอยู่เหมือนกันเขาไม่อยากจะฆ่ามันโดยไม่จาเป็นและถ้าฆ่าแม่ ก็จําเป็นต้องฆ่าลูกด้วยนั่นไม่ใช่สิ่งที่พรานใหญ่อย่างเขาต้องการเว้นแต่จะเลี้ยงไม่ได้ความเคยชินและจัดเจนอยู่ในสรญชาติยานสัตว์ป่าทุกชนิดทำให้สายตาอันตื่นโบกโพงของดารินที่จ้องออกมาจากโคนสายที่หลบอยู่ไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากจะเห็นว่าระพินภัยวานเป็นจอมพรานที่ใจเย็นและห้าวที่สุดเขายืนประจันหน้าช้างแม่ลูกอ่อนในระยะแทบจะเรียกได้ว่า กระชั้นชิดเหมือนใช้เวทมนต์ปืนในมือก็ไม่ได้ไปทับขึ้นจริงจังอะไรนะักจ้องมองดูมันอยู่เฉยๆเช่นนั้นเองหล่อนคิดว่าเขาคงจะยิงและยิงจนกว่ามันจะร้มลงหรือมิฉะนั้นมันก็ยิ่งเข้าถึงตัวแต่เปล่าทั้งสิ้นพรานใหญ่ยืนเฉยมันเป็นภาพที่หล่อนจ้องตะลึงอกสั่นขวัญบินนางช้างรีรอโบอกหูชูวงวงอยู่อีกอึดใจ ก็เดินถอยหลังอย่างระมัดระวังต้อนลูกของมันเข้าดงทึบหายไปอย่างช้าๆพอรับตาก็มีเสียงป่าแตกเป็นทางอู้ไประพินผ่อนลมหายใจยาวออกมาอีกครั้งหมุนตัวกลับเดินมาที่ฝั่งเดิมมาหยุดยืนอยู่ที่ต้นทรซึ่งดาเรินหลบหน้าซี่ตัวสั่นอยู่อย่างอีกด้านหนึ่งแกล่งขูดขึ้นลอยๆถ้ายังไม่หายร้อนคุณหญิงจะลงไปแช่น้าอีกก็เอา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 นี่จะทิ้งฉันไว้คนเดียวอย่างนี้น่ะเหรออ้อาวแล้วกันก็จะเพื่อไล่อยู่หยกๆนี่เองหยุดพูดหรือทําอีแบบนี้ได้ทีขี่แพทย์ไล่จะทีเถอะถึงยังไงฉันก็ต้องง้อคุณอยู่ดีนั่นแหละก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องง้อนี่คุณรู้ไหมเสียงของหล่อนสะถานดังขึ้นมาเหมือนจะร้องไห้ขณะนี้ฉันยืนอยู่ตวัวเปล่าๆไม่มีผ้าแม้แต่ชิ้น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 ย่าหันกลับมาจนกว่าฉันจะเรียกคุณรปีนเป่าลมภูออ ก, กปากวางเสื้อผ้าไว้ให้รอนแล้วถอยออกไปยืนหันหลังให้มีเสียงเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังอึดใจใหญ่ๆก็มีเสียงรองเท้าย่ำกรวดเข้ามาใกล้เรียบร้อยแล้วยังละ่ะไม่มีเสียงตอบจอมพรานเหลียวกลับมาก็เห็นหม่อมราชวงหญิงคนสวยแต่งกายเรียบร้อยแล้วกําลังคาดข็มขัดปืนสั้นอยู่พอประจันหน้า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 ความสนใจของเขาอยู่ที่ช้างป่าตัวนั้นเท่านั้นและในขณะนี้เขาก็ตีหน้าขรึมเฉยเฉยแววตากระด้างกระด้างเหมือนเดิมไม่มีอากับกิริยาหรือท่าทีอย่างใดในการที่จะเน้นให้รอนรู้สึกอับอายเพิ่มขึ้นอีกแทนที่เขาจะวางท่าแบบได้ทีขี่แพะไล่อย่างที่รอนคิดเขากลับพูดมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆชนิดที่ทาให้่อนโปร่งใจและลดความอายลงว่า ความจริงผมให้ลูกหาบทําห้องน้ําไว้ให้ที่เต็นแล้วเมื่อเย็นวานนี้คุณหญิงก็อาบน้ําอยู่ในเต็นทําไมวันนี้ถึงต้องลําบากลงมาอาบที่ทำไมวันนี้ถึงต้องลําบากลงมาอาบที่ลาธารนี่ด้วยมันร้อนเหลือเกินฉันอยากจะลงมาแช่เย็นๆในลาธาร น, นี่อาบในห้องน้ําชั่วคราวที่ทําไว้ในเต็นมันไม่เห็นจะสบายสักหน่อยดาลินตอบอ่อมแอมไม่ยอมสบตาท่ายโซอวดดีหายไปเกือบหมด มันอันตรายครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณหญิงอยากจะมาอาบน้ำที่นี่ก็ควรจะต้องมีปืนขนาดอย่างต่ำที่สุดจุดสาห้คุมมาด้วยหนึ่งกระบอกไม่ควรจะแอบออกมาคนเดียวอย่างนี้ชวนแงซายมาก็ยังดีผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะตามมาด้วยแต่คุณหญิงก็ไล่เขากลับหล่อนหน้าแดงซ่านขึ้นมาอีกยิ้มเจริญคุณคิดว่าฉันลงไปอาบน้าในลาธารนี่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 และยอมรับ ว, ว่าฉันรู้เท่าไม่ถึงการคิดว่ามันใกล้ๆแคมป์ของเราแค่นี้เองคงไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เป็นกลางวันหม่อมราชวงหญิงดาลินพูดอ่อยๆฝืนยิ้มยกมือขึ้นรูปเส้นผมงามที่ถูกน้ำเปียกรูดชำเรืองมองดูหน้าเขาไม่สนิทนักผิวหน้าอย่างซี่ๆแดงๆสลับกันอยู่เช่นนั้นกล่าวอ่ำแำต่อมาคุณอย่าไปบอกพี่ใหญ่หรือชยยันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตะกี้ ผมไม่ใช่คนช่างฟ้องหรอกครับหล่อนเกือบจะค้อนมันไปไหนแล้วไอ้ตัวโตโตเมื่อกี้นี่น่ะเปิดเข้าป่าไปแล้วทําไมคุณไม่ยิงฉันเห็นคุณยืนขวางหน้ามันระยะใกล้กันกนิดเดียวเท่านั้นใจฉันหายหมดผมไม่ต้องการจะยิงสัตว์ที่ผมไม่ได้เจตนานล่าโดยไม่จําเป็นหรอกเมกื่อกีนนี้เป็นช้างแม่ลูกอ่อนด้วยถ้ายิงแม่มันก็ต้องยิงลูกด้วยเพราะปล่อยไว้ก็ทุเรศ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 มันเป็นเรื่องของกําลังใจและศิลปะของวิชาพรานโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับว่าผมเป็นผู้วิเศษมีคาถาอาคมอะไรหรอกดารินถอนใจเฮือกออกมารอบจำเรืองมองดูจอมพราน้วยประกายตานิยมเลื่อมสายอันซ่อนเร้นเดี๋ยวนี้หล่อนพอจะรู้จักกับความหมายของคำว่าพรานใหญ่อย่างระพินได้ดีพอเว้นไวแต่ไม่ต้องการแสดงออกมาเท่านั้นแล้วคุณแน่ใจหรือว่า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 เชียาชายยานันซักถามและสนทนากับเขาเป็นปกติแต่ดาลินก้มหน้าก้มตากินเฉยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่ยอมแม้แต่จะมองหน้ารพีนจอมพรานรอบยิ้มเห็น่อนสงบเฉยผิดไปกว่าเคยก็หันไปถามคุณหญิงจะไปนั่งห้างด้วยหรือเปล่าครับหรือจะเฝ้าแคมป์ไปรอนตอบเบาๆสั้นๆโดยไม่มองหน้าเช่นเคยเป็นไงพบลอยวัวแดงบ้างไหม ชา ย, ยันถามยิ้มย่องอย่างกระตือรือร้ น, รนก็รู้สึกว่าจะพอมีหวังครับแต่ผมไม่กล้ารับรองแน่นอนถ้าคุณชา ย, ยันนึกสนุกผมก็จะพาไปแต่ต้องเดินไกลหน่อยนะครับต้องอ้อมไปทางหลังเขาล้นเดินร่วมๆสองชั่วโมงว่ายังไงลองตามรอยวัว ด, ดูไหมชา ย, ยันหันมาปรึกษาเชษฐาอดีตในพันโททู่ทหารบกสันศีษะแกอยากจะเดินยิงวัวกับคุณรพินก็เอาเถอะ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 ขี้เกียจจะรอจะให้พรานนำกลับแคมป์ก่อนก็ได้เชธฐาตัดสินพอเสร็จเวลาอาหารทุกคนก็เตรียมตัวอย่างรวดเร็วชายยานผู้กระเฮียนกระหายจะแกะรอยวัวแดงคว้าอาจุดเจ็ดหาเอสแอนเอสแแบบศูนย์เปิดของ FN เชธฐาถือจุด 3, 0, 0, 6ามศูนนการิเคอร์กระบอกที่เตรียมไว้ก่อนแล้วส่วนดารินเลือกเอา2จุวินเสเตอร์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 เมื่อทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางชา ย, ยันเหลือไปเห็นแง่ทรายหอบฟืนนำมากองไว้สำหรับเพื่อที่จะใช้สุมหน้าเต็นในเวลากลางคืนเขาก็พยักหน้าเรียกยิ้มยิ้มแง่ทรายเดินตรงเข้ามาเราจะไปดูรอยวัวแกจะไปด้วยไหมแง่ทรายชา ย, ยันชวนอย่างอารมณ์ดีหนุ่มชาวโดงนักผนจรผู้มาสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินป่ายิ้มยิงฟันหันไปมองดูเชฐืฐาอดีตในพันโท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 รพินแนบศีรษะลงกับรากไม้ที่เกาะอยู่ในทันทีนั้นเชิฐากับชา ย, ยันตะแคงหน้าลงไปชำเรืองดูก็เห็นแง่าสายเงื้อมีดที่ถืออยู่ในมือสุดแขนและเวียงหวือขึ้นไปในกริบตานั้นเสียงมีดสั้นตัดอากาศผ่านศีรษะของทุกคนไปและก็มีเสียงดังขวับทั้งหมดพงกหัวเงยขึ้นแล้วจ้องตะลึงยกเว้นรพินเพียงคนเดียวที่อยู่ในอาการเฉยเฉยเป็นปกติ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 เชษฐาและชายยันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่แน่นักว่าอะไรที่มันหน้าดูก่อ ก, กลางจะผ่านไหมเห็นหรือเปล่าชายยันคลางออกมาขณะที่ก้มลงสำรวจรอยที่ย่ำอยู่เปลอะเ่านั้นเชษฐามองดูห่างนั้นอย่างพอใจถ้ารู้แน่นอนว่าคุณจะแวะ ก, กลับมารับอย่างนี้แล้วก็ผมขึ้นนั่งคนเดียวก็ได้เขาหันมาบอกกับจอมพราน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 ดูอยู่จนเรียบร้อยดีแล้วก็ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกขอให้โชคดีครับคุณชายขอบคุณมากผมเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะพระพินก็นําพวกที่เหลืออยู่ออกเดินทางต่อไปคราวนี้ก็คงเหลือชายยานแงซายลูกหาบีสองคนรวมเป็นห้าคนเขาเดินข้ามหนองตัดไปยังอีกฟากหนึ่งและอาศัยด่านช้าง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 ชายยันผู้มัวแต่เดินดูพวกเอื้องและเฟิร์นอันเขียวเชออุ่มอยู่บนคบไม้เพลินอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกเลื่อนของไหลเฟิลจากมือของรถพินขยับดังกริ๊กเขาก็หันมาบัดนั้นและก็เดินชนปะทะหลังระพินเต็มแรงเพราะจอมผ่านหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่เสียงลุกห่าอีกสองคนที่เดินอยู่ข้างหลังคลางกันออกมาอย่างตนกฮืหมีเบื้องหน้าบนกลุ่มโขดินใหญ่ติดกับดงหลุมพี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 รถตัวลงมายืนสี่ขาเจ้าตัวอื่นๆก็พากันแยกเขี้ยวสลอนเดินจับฝูงงุนง่านไปมาทั้งหมดเห็นจะไม่ต่ำกว่าหตัวไม่มีท่าว่าจะหลีกหลบเลี่ยงไปเขาส่งเสียงตะโกนไล่อีกครั้งยังไม่ทันจะสิ้นเสียงยังไม่ทันจะสิ้นเสียงจากฝูงใหญ่ที่สุดก็ควบเรงปีเข้ามาอย่างรวดเร็วจอมพรานตวัดไรเฟืองขึ้นประทับบานในพริบตานั้น ก่อนที่ชายยันหรืองแงสายจะทันเหนี่ยวกายจุด 30-06 ในมือของเขาก็สแพดสทานป่าหัวกระสุนซิลเวอร์ทิปน้ำหนัก200เกรนวิ่งเข้าทะลวงแสกหน้าของมันในขณะที่ควบเข้าใส่อย่างแม่นยำร่างใหญ่โตนั้นพลิกตีรังกา2ทอดแล้วฟุบนิ่งอยู่กับที่ทั้งฝูงและสัาและสายแล้วไอตัวใหญ่ๆอีก 2- สาตัวก็ปรีเข้ามาอีกอย่างไม่สะตกสทานกับเสียงปืนและภาพการวายรานของเจ้าตัวแรก บัตรนั่นเองจุด375และจุด4440ของชายยานกับแง่ทรายก็ระดมการแผดกึกก้องชนิดป่าแตกในขณะที่ระพินกระชากลูกเลื่อนสนัดปลอกกระสุนก่าวทิ้งและตนเองเพ่นเข้าหาโคนไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งกระสุนแม็กน้ําของชายยานนักแรก่ตัดไหล่ของเจ้าตัวหนึ่งหักสะบั้นไปมันหมุนคว้างส่งเสียงร้องลั่นแล้วก็ตะกายแยกเขี้ยวเข้ามาอีก เง่าสายก็ยิงตัวทางด้านขวามือลงไปดิ้นพลาดอยู่กับพื้นแล้วหันมาสกัดอีกตัวหนึ่งที่วิ่งล้ำหน้าใกล้เข้ามาที่สุดแต่ระเิดระเบิดนัดที่สองของเขาทะลุซอกไหล ร, ร้อยพวงออกมาไปยังตะโพกด้านหลังซึ่งก็พอดีกับกระสุนจุด440หัวตัดแบบโบราณของเง่าสายจับเปาะเข้าดั่งจมูกซ้ำมันพงะผึงลงไปกองแผดเสียงร้องส น, นั่นตา ชายยันยิงอย่างมันมือและคนไปกับอาการตื่นเต้นจุดสามเจดห้าของเขาไม่ได้เข้าจุดตายเหมือนระพิดหรือแง่ายที่ยิงออกไปแต่เนื่องมาจากอนุภาพของกระสุนที่หนักหน่วงและรุนแรงกว่ามันก็ไม่ผิดหวังนักซึ่งแม้จะไม่ร้มในทันทีแต่สองสามตัวก็ปัดเป๋ชักดิ้นชักงอไปด้วยแรงประทะขนาดสองตันครื่องของลเฟินในมือเขาป่าทั้งป่าแตกคลืนราวกับจะเกิดสงครามขึ้น เพระเสียงไหลเฟื่อนสามกระบอกทิศซันโวออกไปอย่างไม่ยัง้งสามสี่ตัวที่เหลือเบนทิตวิ่งป่าราบไปในขณะที่ตัวมะหึมาสี่ตัวนอนกลิ้งจมกองเลือดอยู่ชัยยันยังยิงไล่หลังไปอีกสองนัดทั้งหมดออกมาจากที่หลบเข้ามายืนมุงอยู่ที่ซากหมีควายเหล่านั้นแล้วพินโครงหัวจุ ป, ปากเบาๆเสร็จกันป่าแตกเสียพิธีหมด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 ชา ย, ยันพูดหอบหอบควักภาชนาออกมาซับเหงือ่อมองดูเจ้าพวกหมีควายที่ตกเป็นเป้ากระสุนเหล่านั้นอย่างหวาดเสียวผลของการสำรวจรอยกระสุนนอกจากตัวแรกที่รพินยิงตัดสมองแล้วอีกสามตัวถูกกระสุนจุเจดหและ4ุด4ีของชา ย, ยันกับแงะสายตัวละหลายนัดตัวสุดท้ายที่ร้มลงคราวหลังและใกล้กับตาแหน่งหลบซ่อนของรปินมากที่สุด ดูเหมือนจะเจอะกระสุนเข้าไปทั้งสามขนาดสถิติในการยิงทั้งหมดชัยยันดันกระสุนออกไปมากที่สุดเพราะบรรจุ3าถึงสองชุดส่วนระเพียนยิงออกไปเพียงสามนัดเท่านั้นเขาสั่งให้พวกลูกหาบและงแงสรายช่วยกันลากซากหมีทั้ง4ี่ตัวเข้ามากองรวมกันไว้ทางหนึ่งเราจะจัดการยังไงกับไอหมีพวกนี้ชยันถามเนื้อมันเห็นจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ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 ชายยันหัวเราะจุดบุหรี่สูบและส่งให้เขาตัวหนึ่งนี่มันตกเป็นเหยื่อลุกปืนของเราและเราก็พูดกันถึงเรื่องเนื้อหนังมังสาของมันสมมติเป็นตรงข้ามถ้าเราตกเป็นเหยื่อของมันบ้างล่ะไอตัวจ่าฝูงที่คุณยิงคว่ำเป็นตัวแรกนั่นน่ะเขี้ยวอันขนาดหัวแม่มือทีเดียวนะแล้วก็ยาวตั้งสามนิ้วผมเคยเห็นศพคนที่ถูกหมีกัดตายและพินตอบเรื่อยๆน้ำเสียงปกติ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 ป่าข้างหน้าเรามันแตกไปแล้วเพราะเสียงปืนเรากับประทัด ต, ตุจจีนแต่ก็ว่าไม่ได้อ่านมีสัตว์หูหนวกหรืออยู่เหนือทางลมของเราไม่ได้ยินเสียงอยู่บ้างก็ได้จอมพ่านพูดขันขันแล้วเขาก็ออกนำต่อไปโดยทิ้งซากมีไว้อย่างตำแหน่งนั้นก่อนข้ามลำธารเบื้องหน้าเลาะริมห้วยแห้งตามรอยเดินของบัวแล้วก็โผล่ออกทุ่งผีหลอก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 พอตะวันคล้อยต่ำแล้วินก็ชวนกลับโดยบอกว่าระยะเดินไกลกว่าจะแวะรับเชษฐาและดาลินก็คงข้าพอดีเขานำกลับโดยย้อนรอยทางเก่าผ่านซากหมีใหญ่ที่ยิงรวมกันไว้แล้วชี้ให้ชายยันดูรอยหมาป่าที่มาวนเวียนอยู่รอบๆซากหมีเหล่านั้นบางตัวก็มีรอยถูกกัดแทะหนังเวอร์เข้าไปบ้างแล้วหยกหยกนี่เองก่อนหน้าที่เราจะผ่านกลับมาม่ถึงอึดใจ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 ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรกระตกกระตากเขาก็ออกเดินนําไปโดยเร็วบ่ายหน้าไปยังเวงหนอง น, องน้ําที่ขัดห้างไว้ชายยานแงาสายและลูกหาบสองคนเดินตามไปโดยเร็วไม่ใช่นั่งห้างนานๆเชักเบื่อไม่เห็นมีอะไรข้าวก็เลยล่อชนีหรือข้างเข้าให้นะชายยานเปรย์อย่างอารมณ์ขันผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงเป็นกวางครับรพินตอบอย่างมั่นใจ พอพอจะรู้ฝีมือและชั้นเชิงในการล่าสัตว์ของหม่อมราชวงศ์เชษฐาดีอยู่พอเดินเข้ามาใกล้ได้ระยะเขาก็ป้องปากกู่เรียกส่งเสียงเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดมีเสียงกู่ออกมาและผู้กู่ก็คือจัน์พรานของเขาที่ให้นั่งเป็นเพื่อนเชษฐานั่นเองพรานใหญ่เล่งฝีเท้าขึ้นอีกเมื่อมาถึงทุกคนก็เห็นจากแสงขมุกขมัวนั้นว่าทั้งเชษฐาและจันขณะ น, นี้ลงจากห้างแล้ว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 พอเห็นกับตาตนเองในขณะที่เชิฐายิงชายยานตรงเข้าพินิพิจารณารอยบาดแผลอย่างไม่วายกังขาแล้วหันมาถามบนหัวเราะแหมนี่เรียกว่ายิงกันแบบมือชั้นปัชยาเที่ยวนะเชิดทาทําไมแกถึงไม่ยิงหัวมันเห็นใกล้ๆแค่นี้เองทีแรกก็จะเล็งหัวเหมือนกันแต่อยากจะลองทฤษฎีของการทําลายกระดูกสันหลังดูว่าจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็มาเป็นเป้าให้ใกล้ๆแค่นี้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 การไปเชิญหน้ากับฝูงหมีให้เชิดถาฟังหม่อมราชวงหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางซักถามอย่างตื่นเต้นไปด้วยทั้งหมดยืนคุยกันอยู่เนื้อซาาวัวแดงจนกระทั่งมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นต้องใช้ไฟฉายระพินก็ตื่นขึ้นว่ามือแล้วเรารีบกลับถดครับยังต้องแวะรับบุญคำกับคุณหญิงอีกกว่าจะถึงแคมป์ก็เห็นจะไม่หนีสองทุ่มถึงแคมป์เราแล้วผมจะส่งเกวียนให้มาชัแหละลำเลียงวัวตัวนี้ไป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 เมื่อฝ่ายที่เข้ามาสมทบเดินมาถึงก็เห็นหญิงสาวยืนสะพายปืนกอดอกอยู่ที่ซุ้มไผ่ใต้ห้างหน้างอเพราะต้องทนแกวคอ ย, อยู่นานไหนเขาว่าเราปล่อยกวางไปเสียตัวหนึ่งเลยชายยันถามยิ้มยิ้มุนคำใจร้ายหล่อนหันไปจีบ ป, ปากและค้อนพรานพื้นเมืองมีอายุผู้เคี้ยวหมากยับยับยิ้มแก้มตุยอยู่ข้าง มีอย่างหรือเห็นอยู่ชัดๆว่าลูกของมันตามดูดนมอยู่หย่อยยอยยังยุ่ยจะให้ยิงอีกพอฉันไม่ยิงนั่งดูเฉยเฉยแกกับคว้าปืนของแกจะยิงเลยผลักเสียเกือบตกห้างดีไม่หล่นลงมาคอหักตายบุญคำหัวรอกกาบกๆชอบอกชอ บ, ชอบใจเชิฐาจับแขนน้องสาวแล้วเราได้อะไรมั่งล่ะหรือไม่ได้ยิงอะไรเลยหล่อนแบ่มือยักไกลไม่ได้อะไรสักอย่างนั่งทัศนาชีวิตสัตว์ป่าไปเองนั่นแหละค่ะ พีใ่ใหญ่เก้งยุเยเย็บไปหมดตาดำแ ป, แป๋วๆมองสบตากันยังไม่หนีเลยเหมือนอยู่ในสวนสัตว์น้อยก็เลยเหนียวไกลไม่ออกดูมันเล่นเสีออยงนั้นเองน้อยไม่ยิงแล้วพวกเก้งกวางยิงไม่ลงชัยยันบ่นพึมหม่อมราชวงเชษฐาผู้เป็นพี่ชายยิ้มยิ้มส่วนระพินรอบชำเรือผ่านไปหน้าหญิงสาวด้วยใบกายตาสแสดงความรู้สึกที่แปลกจะดูลักษณะภายนอกว่าแกรงกล้าวแข็งกระด้างอย่างไรก็ตาม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 หลอนฟังอย่างสนุกและพลอยตื่นเต้นแต่ดูเหมือนไม่ได้หันมาทักทายหรือสบตา ก, กบับพระพินอยู่ตามเคยเราวกับว่าไม่มีพรานใหญ่อยู่ร่วมด้วยในขณะนั้นเขารู้ดีหม่อมราชวงหญิงคนสวยยังไม่หมดความกระดากอายในเรื่องเมื่อเที่ยงนี้เรื่องที่เปลือยร่างลงไปอาบน้ำในลำธารทะเลาะกับเขาแล้วช้างป่ามันไร่จนต้องกระโจนเข้ามาเกาะเขา ท, ทั้งที่เปลือยเปล่าอยู่เช่นนั้นก็ดีเหมือนกันพพินคิด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 และสั่งให้จันรย้อนไปยังซากหมีสี่ตัวที่ถูกยิงเลยขึ้นไปอีกเล็กน้อยโดยอธิบายสถานที่ไว้ให้ทราบชัดซึ่งแน่ใจว่าจันรคงจะไปพบโดยมิเีวิรามากนักเพราะชำนาญทางดีอยู่แล้วอาหารข้ามของคณะนายจ้างเกิดกับเสรยเตรียมไว้อย่างพร้อมสับแล้วภายหลังจากอาบน้ำและพักสนทนากันอยู่ครู่ก็นั่งประจำโตะะ๊ะะผินถูกเชิญให้มาร่วมอาหาร่ําตามเคย ทั้งหมดกินและสนทนากันไปพรางอย่างออกรถเว้นหม่อมราชวงหญิงดาลินคนเดียวที่รับประทานอยู่เงียบๆและก็ตรงตามที่ละพินคิดไว้คือข่้นี้หล่อนไม่ได้หาเรื่องลวนหรือพูดแขะเขาอีกดูจะสงบไปกว่าทุกวันจนเชษฐาและชายยานก็ไม่วายจะสงสัยแต่ก็มีมีใครกระ ต, ตุ้นเตือนคงคุยกันถึงเรื่องอื่นๆอย่างสนุกสนานขณะนั้นเองทุกคนในเต็นท์ยังไม่ทันจะอิ่มจากการรับประทาน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 เชษฐากับชายยันก็เต็มไปด้วยความตื่นตรนกเพราะมิคาดฝันมาก่อนอย่าเสียเวลาเลยระพินตามกันเดี๋ยวนี้แหละหม่อมราชวงเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะพูเดเร็วปือวิ่งกลับไปที่เต็นร์รพินสั่งงานกับคนของเขาโดยเร็วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคณะนายจ้างของเขาทั้งสามก็เตรียมพร้อมเชษฐาวิ่งกลับออกมาจากเต็น์พร้อมลูกซองเอเอ่อัตโนมัตส่วนชา ย, ยันกับดาลิน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 อันเป็นตำแหน่งที่โป่งกับเอิ้นผู้เคาะร้ายชวนกันมานั่งซุ่มดักยิงหมูป่าและเจ้ารายผีเสียงย่องมาเล่นงานสิ่งที่เหลือไว้เป็นพยานหลักฐานสยดสยอ ง, งก็คือปืนแกป๊ปคู่มือของเอินและกลักยาสูบที่ตกอยู่ข้างซุ้มไม้มีรอยเลือดเลีย ก, กระจายภายหลังจากก้มลงตรวจตาสำรวจร่องรอยเพียงอีกใจเดียวจอมพรานก็แน่ใจว่ามันจะเป็นเสือตัวอื่นไปไม่ได้นอกจากออกุ่นนั่นเอง รอยที่มันย่องมาตามพื้นแฉะชิดกับทานน้ำฟ้องชัดทุกคนคลางออกมาเมื่อเห็นร่องรอยของลูกหาผู้เคราะร้ายที่ถูก้าบออกไปนายเมย์ผู้เป็นหัวหน้าลูกหาถึงกับสะบดออกมาอย่างเจ็บแค้นส่วนเจ้าปป่งผู้ร่วมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามตาตัวสันส้านหน้าราวกับศพไอ้กุดแน่ๆเชียวครับเจ้านายที่ล่างเอาเจาเอิ่นไปรอยของมันชัดอยู่นี่เมยร้องออกมา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 เพียงแต่ออกกฎสั่งห้ามให้ออกนอกแคมป์อย่างเดียวเท่านั้นคำว่าไอกุตทำให้คณะนายจ้างของเขาที่สงสัยมาแต่แรกนับตั้งแต่เกิดวิ่งเข้าไปรายงานระผิดในเต็นท์แล้วหันมาทางในพรานใหญ่หมายความว่าอย่างไงกันถึงเรียกว่าไอกุดระผิ์ก็จำเป็นอีกครั้งที่จะต้องอธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าเสือร้ายที่ได้รับสมยาว่าไอกุดให้บรรดานายจ้างของเขาฟัง